ชาวชาอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจโอกาสที่เราจะได้ฝึกสติของเรานั้นให้หลุดพ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ต้องยกระดับจิตของตัวเองนั้น ด้วยความตั้งใจผู้ตุชนคนปกติหรือว่าสัตว์เดรัจฉานมาแมลงน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังทำเหมือนในขณะนี้ท่านเป็นผู้ได้เปรียบได้เปรียบกับ สิงสาราสัตว์ทั้งหลายที่มีภูมิปัญญาของตัวเองนั้นแม้มีโอกาสก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังพัทธมเทศนาเหมือนคนมีโอกาสแต่ปล่อยโอกาสของตัวเองนั้นให้หลุดพ้นจาก ความรู้สึกหรือหลุดพ้นจากมือของตัวเองไปเหมือนการตักข้าวเข้าปากพออ้าปากแล้วอาหารบางอย่างก็หลุดจากปากลงหรือเราได้กัดกืนกินเข้าไปแล้วไม่ได้พิจารณาว่าอาหารนั้น อาจเป็นทุกข์เป็นโทษกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นคนหลายร้อยล้านคนมนุษย์หลายร้อยล้านมนุษย์เหมือนพระพิสุสงฆ์สัมมเนนอีกหลายแสนรูปเฉพาะในประเทศไทย บางรูปบวชมาก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมบางรูปมีโอกาสแต่ปล่อยโอกาสของตัวเองนั้นให้หลุดพ้นจากโอกาสที่ดีไปแม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่นอกวัดกับอยู่ในวัดเช่นหมา หรือว่าสุนัขที่มันอยู่เป็นสุนัขจรจัดก็ได้เลาะแต่ข้างถนนไม่ได้เข้ามาในเขตวัด น, นกหนู ก, กาไกา่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันที่อยู่ใกล้วัดแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในวัดหลงพ่อได้นอนอยู่ ตรงบริเวณเขตวัดพอดีได้เห็นการเผามนุษย์คือความตายอยู่ใกล้ป่องเมนทีเดียวจากสำนักสงฆ์วัดกส ป, ปะด้านตรงข้ามก็จะมองเห็นอยู่ทุกวันว่าโอ้โนอชีวิตคนเรา ตายแล้วก็เอามาเผาตายแล้วก็เอามาเผาส่วนข้างวัดก็ทำเจดีย์เก็บกระดูกมองไปในเห็นตาเจดีย์ไม่เห็นมีใครเลยมาไหว้มากราบไม่เห็นมีใครเลยนำเอาอาหารมาหรือจะมากวาดทำความสะอาดก็ไม่มีเห็นมีแต่พระ ถึงปีก็จะมาเก็บกวาดมาตัดถากต้นไม้เพราะว่ากลัวว่าจะรกและไอ้ลูกหลานบรรทบุรุษที่ยังอยู่นี่ล่ละทำไมไม่ระลึกนึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วฉันใดก็ฉันนั้นแค่ถนนกั้นกลางยังบาปบุญคุณโทษไม่เหมือนกัน ยังมีโอกาสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพิสุสมมาเนนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดเขาอิทธิสุกโตที่หลวงพ่อพูดนั้นยอมมองเห็นภาพวัดเราในมีสระน้มแถมมีศาลาอีกด้วย ทั้งนกทั้งป่าทั้งมนุษย์ได้ไปทำทานบารมีกันหมาก็มีคอกหมาอยู่ในวัดเราก็อุปถัมภ์ค้ำจุนเหมือนเครือญาติเราเหมือนพี่น้องที่จะต้องอยู่และที่จะต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันที่นี่เปรียบเสมือนเป็นที่นัดพบ หมู่ญาติทั้งหลายที่นี่เป็นที่สุดท้ายของสร้างความดีความชั่วคนที่ดีคนที่ชั่วก็ปะปนอยู่ร่วมกันเหมือนกับมนุษย์และสัตว์ก็อยู่ร่วมกันในวัดนี้อยู่ร่วมกันแถมไม่ใช่พี่ใช่น้อง ต่างคนต่างมาก็ต้องมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจงโปรโดสังเกตว่าทำไมสัตว์ที่นี่เยอะจักทำไมพระคุณเจ้าเยอะกว่าที่อื่น ญาติโยมสัมมาปฏิบัติกลังไหลามากันมากมาย <c oughs> แต่ทำไมเราไม่มีโต๊ะบริจาคเราไม่เลียลายเราไม่ได้มีกองทุนกองทรัพย์มีแก้วแหวนเงินทองมากมายแต่ทำไมเราอยู่ด้วยกันแบบ กินอิ่มนอนหลับทั้งที่เราอยู่ร่วมกันปะปนกันไม่ได้จะแหวงหาทรัพย์ไปช่อโกงเลียเลี ย, ลยหรือทำอะไรที่ให้ได้เป็นเงินเป็นทองมามากมายลองเปรียบเทียบถึงตัวเองสิว่า เราก็เคยอยากกล่ําอยากรวยอยากมีวัวมีควายเยอะๆอยากมีเป็ดมีไก่อยากมีที่ดินเยอะๆอยากได้ปูปลากุ้งหอยเนี่ยเยอะๆแต่ลองมองดูเหมือนกับหน้ามือกับหลังหลังมือ ความอยากของเรานั้นกับมีที่วัดนี้ที่ดินก็เป็นร้อยได้อยากจะเจอกัลยาณิมิตเพื่อนฝูงอยากมีญาติเยอะๆญาติที่ดีแต่มาเจอกันที่นี่ทรัพย์สินที่เราเคยอยากแต่มาอยู่ที่นี่ มีทรัพย์สินเหมือนกับที่เราอยากเลยอาหารการกินก็เยอะไม่มีอดแม้แต่มือเดียวมีแม่ชีได้อนุเคราะห์พระพิสุสงได้อภิบาลให้ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พิสู์สงสามเณรแล้วก็แม่จีอุบาสกบาณิกายังได้รับผลประโยชน์จากวันนี้ที่พูดในวันนี้ก็เพื่อให้มองเห็นไม่ได้มาพูดเพื่อเอาคุณงามความดีหรือพูดเพื่อจะให้คุณโยมมาบริจาค เราลองนึกถึงตัวเองซึ่ว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามายังวัดเขาอิติสุกตโตแห่งนี้และที่อยู่เนี่ยเราก็เคยนึกว่าเราอยากมีที่ดินเยอะๆอยากมีบ้านช่องที่ใหญ่ๆโตๆ ต, ตึกลานบ้านช่องมีที่พักสวยงาม มีลูกมีญาติพี่น้องดีๆพอก้าวเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในวัดเขาอิติสุขโตทั้งหมดนี่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเครื่องบำรุงปรุงแต่งพะเรามาอยู่ที่วัดเข้าจริงๆเรามีเข้าจริงๆสัมผัสเข้าจริงๆ ไอ้ใจของเราก็ปรุงแต่งอีกเฮ้ยครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ไม่ได้เอาเข้าไปอีกลองถามตัวเองซิว่าจะเอาอะไรแน่เราอยากมีวัวเยอะๆทางวัดเราก็มีวัวให้ให้เลี้ยงให้ดูเราอยากมีควายเยอะ ท้งวัดเราก็มีวัวมีควายให้ให้เลี้ยงให้ดูเราอยากมีเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาหงหา่านทั้งปลาน้ำเค็มน้ำจืดมีทุกสั่งทุกยิงทุกอย่างนกหนู ก, กาไก่รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต้นไม้ตึกรานบ้านช่องบริเวณสถานที่ต่างๆ ที่เราต้องการทั้งนั้นเลยและเราก็มีพี่น้องเยอะมีอาหารการกินทุกรสทุกชาติค่าน้ำค่าไฟเราก็ไม่ต้องเสียค่าอาหารเราก็ไม่ต้องเสียเราไม่ต้องทำด้วยซ้าลองถามตัวเองซิว่าใจเราเนี่ย เมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยมันเหมือนที่เราคิดไหมไอ้กิเลศ ท, ทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดยั้งในการปรุงแต่งอิดบอกอยู่วัดมันไม่ใช่บ้านเราเข้าไปอีกอยู่กับคนอื่นไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่พ่อแม่เราเข้าไปอีกแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหน ถ้าเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่พี่ใช่น้องเมื่อวานก็พูดเรื่องสัญญาแห่งความรู้หมายจําที่จะต้องเจะเจอกันซึ่งกันและกันเราเจอสัตว์เราก็รู้สึกว่าเป็นพี่น้องเราเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราเสียด้วยซ้ําคนที่อยู่ร่วมกันในวันนี้เนี่ย ในวัดเขาอิติสุกโตเนี่ยเราก็เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติเ้าเรียกว่าญาติธรรมและเราก็มีสัญญาแห่งความเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่รูปผัวตัวเมียกันเนี่ยเป็นครอบครัวกันเนี่ยหลายพบหลายชาติกำจึงชักจูงมาสู่สภาวะ รวมตัวกันก็คือมาอยู่ร่วมกันแม้นเราไม่ใช่พี่ใช่น้องกันตามกันมาแต่เราก็ยังได้มานอนร่วมกันทานอาหารร่วมกันทํางานทําการอยู่ร่วมกันและเราได้พูดคุยมีความรักซึ่งกันและกัน มีความเกียดมีความอิจฉาอิจฉาลิสยาเนี่ยร่วมกันคืออยู่ร่วมกันนั่นเองมันก็ไม่เห็นแตกต่างกับชีวิตกับโรคภายนอกที่เราได้เจอเจอแล้วก็คิดปรุงแต่งมาเลยถ้าหากเราไม่ละหรือตัดใจลง บางคนเขาบอกว่าเราแก่แล้วเราจะกลับไปอยู่กับรูปกระหลานท่านลองนึกสิว่าเรากลับไปอยู่กับลูกเราก็ต้องทำงานหยิบโน่นช่วยนี่เพื่อจะช่วยลูกของเราดีไม่ดีมันก็สร้างลูกมาให้เราเลี้ยงเข้าไปอีกดันไปยึดติด ลูกหลานของตัวเองเข้าไปอีกทรัพสมบัติของตัวเองไม่มีโอกาสที่ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเรียกว่ามีกรรมต่อเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาละค่อยๆนึกไปจะสละอะไรก็สละใจไม่ได้จะตัดอะไรก็ตัดใจไม่ได้สักอย่างหนึง่งจะว่าทาวัดสวดมนต์เลย จะตักบาตรพระเนี่ยกระทบจะไม่มีเวลาเพราะเอาเราเอาเวลาเนี่ยไปชดกรรมไปชดใช้กรรมกับเผ่าพันธุ์ของตัวเองเรียกว่าผัวพันนั่นเองขอให้พระพิสุงสงฆ์สามเณรจงมีความตั้งใจมั่นในการฟังธรรมตั้งสติมองเห็นตัวเองที่หลวงพ่อพูด ให้เห็นภาพภายในแล้วก็ภาพภายนอกเรียกว่าโรคภายในแล้วก็โรคภายนอกบรรดาแม่ชีแม่พามก็เช่นเดียวกันก็ให้คิดว่าสิ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เคยคิดเมื่อสมัยที่เราเป็นคาราวานอยู่ภายนอกเ็าเรียกว่าโรคภายนอก มาอยู่ภายนอกเราก็อยากมาฟังทำมาบวชมาปฏิบัติอยากมาสร้างคุณงามความดีแต่พออยู่แล้วเนี่ยเราก็คิดถึงโรคภายนอกเอกมองตัวเองแล้วก็ถามตัวเองเสว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างที่มันมีความสุขที่สุดลองถามตัวเองซิในขณะนี้ ถ้าเกิดมันมีดินแดนที่สุขขาว่าดีมีความสุขที่สุดเนี่ยคนคงหลั่งไหลไปไปกันหมดเลยไปอยู่ตรงนั้นไม่มีใครปารถนาความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็ไม่มีใครในปัจจณาความยากจนความเหนื่อยยากความยากลำบากให้กับตัวตน ทุกคนอยากอยู่ในกองเงินกองทองเห็นไหมกองเงินกองทองแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราคิดนั่นเป็นการปรุงแต่งเป็นการนึกคิดปรุงแต่งไปตามสภาพของกรรมกรรมเป็นเครื่องชักจูงให้เราเนี่ยปรุงแต่งให้ไปยากลำบาก เรียกว่าปัจจุบันกรรมกรรมมีสามทางเรียกว่าอดีตกรรมแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตตกรรมปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยมีมีกรรมดีแล้วเราได้มาสวดมนต์ทำวัดเราลองนึกซิว่าเราเกิดมาอายุขนาดนี้แล้วเนี่ย เรายังไม่เคยมานั่งสงบสติอารมณ์แบบนี้ใช้คำว่าสงบสติอารมณ์เราไม่เคยมองเห็นตัวเองเหมือนในขณะนี้และเราก็ไม่เคยที่หยุดยั้งความโลภความกดความหลงเหมือนในขณะนี้เราได้แต่ทรมานกาย ทรมานใจอยู่ตลอดเวลาทรมานกายก็หมายถึงว่าตะเกียกตะกายหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงหลานตะเกียกตะกายหาแผ่นดินสักไร่หนึ่งงานหนึ่งเนี่ยวานหนึ่งบางคนอาจจะยังไม่มีเลยพระพิสุสงฆ์บางรูปสอบหรือคืบหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีแผ่นดินของตัวเองเลย ลองนึกเิว่ามันเรื่องจริงไอ้ซอกคืบวาเนี่ยมีหรือไม่มีเนี่ยทุกคนได้แต่ปรุงแต่งคิดกันไอ้คนมีร้อยไร่พันไร่มื่นแสนไร่เนี่ยล้านล้านไร่เนี่ยก็ต้องตายในที่สุดเอาไปไม่ได้ท่านทั้งหลาย ลองนึกซิว่าเราได้มีตระกูลใหญ่ที่สุดมีครอบครัวใหญ่ที่สุดจงภาคภูมิใจเราไม่เคยอยู่รวมกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้เขามารักมายินดีกับเราเราได้มาอยู่ในที่ที่เราได้สมปัติธนาแล้วเราได้อยู่ที่ เป็นลอยลอยไลย่เราก็สมปัานาแล้วเราอยู่ข้างนอกคิดอย่างไรปุงอย่างไรจะแหวงหายอย่างไรก็เอาไปไม่ได้สู้เรามารวมพี่รวมน้องรวมพ่อรวมแม่มีความสุขไม่แย่งกันกินไม่แย่งกันนอนไม่ทะเลาะเบาแหวง้งซึ่งกันและกัน ท่านลองนึกเข้าไปในใจว่าโอ้นาเออชีวิตเราเราสแสวงหามาหนึ่งชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนเมื่อก่อนนี้ขนาดเรามาเจอในที่ที่ของเราแล้วสุขสบายใจแล้วปัจจัยสี่ก็สมบูรณ์ มีที่อยู่อาศัยก็สมบูรณ์เนื้อที่เป็นร้อยไร่อาหารก็สมบูรณ์เสื้อผ้าก็สมบูรณ์อย่ารักษาโรคก็รักษากายใจนั่นเองสมบูรณ์ทุกอย่างเราจะแสวงหาอะไรอีกแสวงหาความทื่อก็คือความ ความโง่เหรอบางคนก็โง่ยังไม่ทันออกพรรษาเลยดูวันเลิกศึกแล้วอยู่ไปเหมือนกับทรมานกายทรมานใจลองนึกถึงว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยตอนเราเป็นคลาวาดเนี่ยทำไมเราไม่คิด ไม่ไม่แสวงหาแล้วมันสมหวังบ้างหรือเปล่าตามความคิดบางคนถึงก็ขอบอกว่าจะศึกไปช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยหรือทำลายก็ไม่รู้บางคนก็บอกจะศึกไปทำโน่นทำนี่งานเรียกพอดี ที่ตอนเป็นคารวะก็ไม่มีใครเรียกใครหาพอมาบวชเขา้าบางคนถึงก็ศึกออกไปรับจ้างจากที่คนที่เขาไหว้เขากราบก็เลยศึกเอาไปให้เขาไปกราบไปไหว้คนอื่นไปเป็นขี้ฆ่าคนอื่นนะขี้คำว่าขี้นี่หมายถึงกากอาหารเศษอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้ว มันเลยถ่ายออกมาเหม็นที่ค่าค่าหมายถึงหมดเวลาที่จะกินของดีอยู่อยู่ในที่ดีๆแล้วมันไม่มีมูลค่ามูลน่มูลค่าคือมันเป็นเศษอาหารที่คนดีๆเนี่ยเขาไม่เอาแหละความคิดของเราก็คือเอาไปทำปุ๋ยนั่นเอง ความคิดที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันดันไหลวิ่งออกไปกับโลกภายนอกหรือกับโลกภายในถ้าเราตั้งสติรู้ตัวรู้ตนมองใจของตัวเองในขณะนี้เนี่ยตั้งสติเออลูงพ่อก็พูดถูกเนาะเราก็อายุขนาดนี้แล้ว ที่ดินเราสักศอกสักวาสักคืบหนึ่งบางทีเราก็ยังไม่มีแล้วันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเราจะตายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าเราลองคิดถึงตัวเองซึงว่าทุกอย่างเราก็มีแล้ว แต่ใจเรายังทุ่นลนทุนลายอยู่เอาละเข้าไปที่ใจละใจเราก็ทุ่นลนทุนลายในสิ่งที่เรายึดว่าตัวกูของกูบางคนก็ไม่เคยเห็นตัวเองก็ เ, เรียกว่าเห็นแก่ตัวแต่ไม่เคยเห็นตัวเองเห็นใจแต่คนอื่นแต่ไม่เคยมีใครมาเห็นใจเราเนะี่ยคิดไปอย่างนั้น ปัจจุบันเราก็ลองถามตัวเองซสงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีแล้วรถราบ้านช่องแก้วแหวนเงินทองเราก็ไม่มีความจําเป็นกับเราแล้วแต่ทําไมเรายังดิ้นหลนแสวงหาอยู่เช้ามาเราก็บินทบาทมีอาหารฉันอยู่แล้วกลางวันมาตอนเพลเราก็มีอา อาหารฉันอยู่แล้วเพียงแต่เราทุ่นหลนทุ่นลายคิดว่าเราจะสึกออกไปแ ล, ล, ล้วร่ำรวยเหมือนกับไอเป็นคลาวาดเลยเราก็คิดว่าเราจะต้องร่ำรวยจะต้องมีสามีภรรยาที่น่ารักอยากถูกหวยรวยโป อยากทำงานดีๆอยากมีความรู้อยากมีเสื้อผ้าสวยๆมีแก้วแหวนเงินทองตอนนี้เราก็มีหมดแล้วแต่ไอความคิดเราเนี่ยมันเป็นสันดานสันดานก็คืออุปนิสัยเดิมอนิสัยเดิมเดิมที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกิเลสตัณหาลาคะเรียกว่ากรรมกรร ม, ก, รรมก็เรียกว่ากรรม กรรมพาะแดนเกิดของเราที่เราเวียนไหวตายเกิดเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูยึดมั่นถือมั่นว่ายังอยู่ในความโลภโกรธหลงอยู่จิตใต้สำนึกที่มันเป็นวิบากคำว่าวิก็คือทุกวินาที ที่เรามีสติริมตารู้ตัวรู้ตนเนี่ยไม่มีจิตสำนึกที่ดีออกมาจากใจก็คือการกระทำไม่เคยเสียสละในการทำงานทำการไม่เคยทำงานเพื่อไม่หวังผลเพื่อจะให้คนอื่นได้รับประโยชน์จิตได้สำนึกก็จะเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว กรรมก็ะชากจูงไปสู่สภาวะกรรมนั่นเองอยู่ดีๆก็ไปคิดที่จะต้องไปตรงนั้นตรงนี้ที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเกิดความกระทบกระทั่งสมมติว่าเราอยู่ห้องของเราคนเดียวเราอาจจะนั่งภาวนาอย่างในขณะนี้เนี่ยแต่เรานึกถึงพระองค์นั้นองค์นี้มันไม่เกี่ยวกับเราเลย พอไปพูดไปคุยก็เกิดความขัดคอเครื่องใจกันเรียกว่ามีวัจีกรรมก็จะรู้สึกไม่สบายใจก็บางทีก็อาจจะต้องเถียงโต้แย้งซึ่งกันและกันมันก็เกิดสัตว์ตัเหมือนกันบางทีอยู่ดีๆก็รื่นเริงบันเทิงใจเปิดเพลงสลั่นเลยแทนที่เราจะฟังธรรมะ ไปซื้อเทปไปซื้อหูฟังมาเสียบโทรศัพท์ใช้ไฟวัดมันทั้งวันทั้งคืนฟังเพลงบรนเลงบันเทิงใจมันปรุงฮะปรุงแต่งไปตามสภาพของกรรมที่ยังรุ่มหลงอยู่ในเสียงตามเสียงรูปรถกินเสียงพดถัพทะมองเห็นโน่นก็ปรุงแต่งมองเห็นนี่ก็ ปรงแต่งสันดานนี่ไม่เคยหยุดถูกกรรม ม, มันชักจูงไปสู่สภาวะเสียงบ้างตาบ้างปากบ้างท้องบ้างกรรมมันก็ชักจูงให้เราเนี่ยไปยินดีในสิ่งที่มันไม่ควรจะยินดีคือข้อห้ามวัดปฏิบัติพอเราจะมานั่งอย่างนี้เนี่ย ดูรู้สึกว่ามันง่วงมันทรมานมันเมื่อยมันปวดไปหมดแต่เรานั่งคุยกันเนี่ยสองสามชั่วโมงทำงานกันแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเรารู้สึกทนมันไม่ได้ก็คือการสร้างความดีนั่นเองรู้สึกสูญเสียเสียงเงือเสียน้ำลายเสียเวลา แต่ในขณะ น, นี้ท่านไม่ได้เสียอะไรเลยท่านนั่งเฉยๆตั้งสติมีความรู้ตัวมองเห็นที่ใจแล้วก็ฟังไม่ต้องมาบรรยายอย่างลุงพ่อด้วยมองเห็นว่าเออนาะเออเราก็ลําบากกากกรรมตอนนี้เรานั่งเฉยๆทาไมมันเมื่อยมันง่วงอย่างนี้ ในขณะเราฟังเพลงเนี่ยเป็นหลายๆลร้อยเพลงทำไมเราฟังไม่เบื่อวนไปเวียนมาแถมจดจำได้แถมร้องได้อีกด้วยออกอาการเต้นแรงเต้นกาลืมความเป็นพิสุสงฆ์สามเณรแม่ชีไปแต่เราขณะที่เขามาพูดให้เราฟังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนั่งในขณะนี้เนี่ย บางองค์ก็หัวห้อยลงมาเลยบางองค์ก็ปวดเมื่อยโดยเวทนาทุกขถ่ายหนักถ่ายเบาเช้าๆด้วยบางองค์ก็ตั้งใจนิ่งก็คือกำลังใจของที่เป็นกุศลเนี่ยไม่เท่ากันบางคนทำความดีคิดความดีเนี่ยแค่วินาทีนี้ก็ถือว่า เป็นมหาสาลกับเราแล้วเหมือนใครนั่งสมาธิตอนเนี้ยจิตบริสุทธิ์เนี่ยเท่ากับงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูเนี่ยตัดกรรมไม่ได้ตั้งเยอะแล้วเขาเรียกว่าเอาความดีเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านอย่างน้อยความดีก็แทรกเหมือนน้ำดีในหยดเข้าไปในใจของท่านเนี่ยหนึ่งหยดแล้ว ถางูแลบลิ้นหลายๆครั้งเท่ากับเราทําหลายๆหนน้ําที่สะอาดเนี่ยมันก็หยดลงไปในกลางจิตได้สํานึกคือใจของเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมันก็ร้างความชั่วหยาบได้ทําให้เจือจางลงไปเหมือนกับเกลือที่ผสมน้ํามากๆเข้าไปรสเค็มมันก็เจือจางลงแต่ถ้าเกิดมันแห้งเหมือนเดิม ไม่ได้เติมน้ําพอแห้งงวดเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเค็มเหมือนเดิมอีกแต่ถ้าน้ําใส่ลงไปมากๆเนี่ยไอ้เกลือเนี่ยมันถูกละลายไปเรียกว่าละลายประพฤติกรรมของความชั่วหยาบคือรสรสของกรรมกรรมนี่มันมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเ็เรียกว่าติดอยู่ในรสเดี๋ยววันหลังจะพูด พูดให้ฟังว่าทำไมจึงติดอยู่ในรถและเดี๋ยวนี้รถก็ล็อกด้วยเครื่องไฟฟ้านะไม่ใช่รถชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มจะแล้วล็อกประตูตายเลยตกน้ำนตายสถานเดียวออกไม่ได้ทำไมเราไม่หาทางออกทางใจเราหาอุบายอยู่คนเดียวเงียบ เมื่อเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไปอยู่กับสัตว์ก่อนเมื่ออยู่กับมนุษย์ไม่ได้เราก็ไปอยู่กับมแมลงอยู่กับสัตว์อยู่กับผักปลาหัวควายของเราเนี่ยยังประโยชน์ให้เกิดความคิดนะยังประโยชน์ให้เกิดกับตัวตนที่แท้จริง <c oughs> เราอยู่ตรงไหนแล้วไปความทุกข์นะมีความทุกข์ คนที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะมองเห็นว่าโอ้หนาอยู่ตรงไหนที่มันสุขที่สุดก็อยู่ที่ใจไงอยู่ที่หน้าอกของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยทำไมไม่ปรุงแต่งในสิ่งที่มันเป็นความสุขสมองของเราเนี่ยทำไมไม่คิดในสิ่งที่มันดีทำแล้วไม่เดือดร้อนต่อตัวเองแล้วก็หมู่คณะเช่นไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ย ไม่เห็นมีใครตำหน่คนที่ไปเลี้ยงวัว ด, ด้วยกันหลายๆคนก็ยังไปทะเลาะ ก, กันเพราะเรื่องวัวก็มีไปอยู่กับควายหลายๆคนก็ทะเลาะกันเรื่องควายไม่รู้ว่าควายมันโง่หรือว่าคนมันโง่วัวควายมันก็ไม่มันก็ทานหญ้าก็เมันไปแต่มนุษย์เนี่ยทานทุกสิ่งทุกอย่างปุงทุกสิ่งทุกอย่างวัวควายมันก็ยินดี ในลูกเมียในหญ้าในอาหารแล้วก็กินแล้วก็นอนทัองมันไปตามธรรมชาติเราสิทั้งกินทั้งนอนกินดีอยู่ดีกับสัตว์พวกนี้อีกแต่ทำไมเราจิตใจเราเนี่ยฟุ้งซ่านทำความชั่วมากกว่าสัตว์เหล่านี้สัตว์เหล่านี้มันแค่อิ่มแล้วมันก็นอน มันมีวาละรักลูกมันชั่วไม่กี่ปีเท่านั้นมันก็เลิกรักลูกมันก็มีผัวใหม่มีลูกใหม่วนเวียนให้เห็นว่าเออแม้ตรสัตว์นี่มันก็ต้องชดใช้กรรมในการเสพการเกิดการกินการนอนถ้าเราคิดดีๆมันก็ไม่แตกต่างกับเราเรานี่มีความต้องการมากกว่าสัตว์อื่นหมื่นใดทั้งสิ้น มนุษย์นี่กิเลสนาะกิเลสมากที่สุดบงแต่งมากที่สุดช้างตัวใหญ่แค่ไหนยังฆ่าได้ยังเอามาขี่ได้วัวควายในยที่คนเนเกียดขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้ไก่เกียจสิงสารสัตว์ขยะขแข็งแต่เก็บเอามากินหมดเลยไก่ก็เอามากินวัวควายก็เอามากิน หมูเป็ดห่านปลาที่เหม็นคาวอะไรนะั่นกินหมดเอามากัดกินกืนหมดพวกนี้เกิดอยู่ในอบัยภูมิเป็นรูปนามของกรรมก็คือเรียกว่าสัตว์นรกนั่นเองเมื่อเราไปเก็บสัตว์นรกมากินเรียกว่าเราไปเก็บเศษกรรมที่มันไม่ดีสภาพที่มันไม่ดีไม่ใช่มนุษย์ที่มนุษย์จะต้องกินต้องสแสวงหา ก็เลยเอามาสะสมไว้ในกายเข้าไปในกระแสะเลือดเลือดก็หมุนเวียนสูบฉีดเข้าไปที่หัวใจก็คือจิตของท่านนั่นแหละจิตใจของท่านก็คือมีสัญญาแห่งความเป็นเปรตอสุลกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่ยังดีมีทําความดีมีแดนเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังมีกินอยู่กิ่นก็หมายถึงว่ายังอยากกินพวกเดียวกันอยู่ จึงมีจิตใจเนี่ยตามสภาพของสัตว์ต่างๆก็คือการกระทำนั่นเองเราเริ่มเข้าลึกไปละเอียดไปพยายามวกไปเวียนมาให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจจะบอกให้ละเอียดท่านก็อาจจะตามไม่ทันอาจจะมีความลังเลสงสัยเบื่อนหน่ายแล้วก็ปวดเมื่อยอยู่เป็นทนอยู่ด้วยจิตก็อาจจะเป็นอกุศลเกิดขึ้นไม่มีสมาธิ จะค่อยๆบอกวกไปเวียนมาให้ท่านเข้าใจเมื่อหาทางออกได้เดินไปพร้อมกันได้หลวงพ่อก็จะเทศนาให้มันละเอียดอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนท่านมองเห็นวัตตะคือการเวียนไหวมองเห็นความโลภละความโลภมาประกอบกรรมดีละความชั่วมาประกอบกรรมดี เอาเจชาาอย่างนี้ค่อยๆถอนสมาธิเพื่อจะได้กวดน้มสืบต่อไป